อย่ามักง่ายข้ามขั้นตอนการเรียนอภิธรรมนั่นก็ดีอยู่แต่จะต้องไม่ติดตำรามุ่งเพื่อรู้ความจริงหาทางพ้นทุก์จึงจะถูกทางเช่นในปัจจุบันมีการสอนการเรียนวิปัสสนาแบบต่างๆหลายหลายอาจารย์อัตมาว่าวิปัสสนาเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายๆจะไปทำเอาเลยไม่ได้ ทำไมดำเนินไปจากศีลลองดูก็ได้เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทบัญญัตินี่ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้วไปไม่รอดเพราะเป็นการข้ามมรรคบางคนพูดว่าสมถะไม่ต้องไปทำข้ามไปวิปัสสนาเลยคนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้นเขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยวก็การรักษาศีล น, นี้มันยากไม่ใช่เล่น ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่านั้นอะไรที่ยากแล้วข้ามไปไใครๆก็อยากข้ามมีพระรูปหนึ่งบอกว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อมาขออยู่กับอัตมามาถามถึงระเบียบปฏิบัติจึงอธิบายให้ฟังว่าเมื่อมาอยู่กับผมจะสะสมเงินทองและสิ่งของไม่ได้ผมถือตามวินยัยท่านพูดว่า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 และผมจึงเชื่อถ้ามันไม่เค็มจะเอามาให้กินสักกระทอคือเค่งเล็กลองดูมันจะไม่เค็มจริงๆหรือเรื่องไม่ยึดไม่หมายนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเอาคาดคะเนเอาไม่ใช่ถ้าท่านพูดอย่างนี้อยู่กับผมไม่ได้ท่านจึงลาไป